พระธรรมเหล่านี้ที่เราเรียนเราศึกษาเนี่ยนะเป็นพระธรรมที่จะต้องกำหนดจดจาถ้ากำหนดจดจาอะไรไม่ได้จะเป็นนึกอะไรออกนั่นไเนหมนะเดินทางเนี่ยแค่หยับๆยาบเนี่ยเดินทางทางรูประธรรมเนี่ยนะอะไรก็จาไม่ได้เลยป้ายก็อ่านไม่เป็นอะไรก็จาไม่ได้เลยถามว่ามันจะถึงไหนไคิดหรือจะถึงจุดหมายปลายทาง นี่มันเดินทางทางนำมาทมเป็นส่วนใหญ่การปฏิบัติธรรมไม่ได้เดินทางด้วยรู ป, ปกายเพราะไม่ใช่ว่าจะรีบเร่งออกเดินทางแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะมันเป็นการปฏิบัติธรรมนีการปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติทางกายวาจาและใจปฏิบัติทางร่างกายนั้นถ้ามองแค่ว่านัน่งนิ่งๆก็ไม่สู้ยากสักเท่าไหร่หรือให้ไม่ต้องพูจาก็ไม่สู้ยากสักเท่าไหร่ แต่ใจนี่สินั่นนะก็พยายามบางท่านก็แนะนําเอาไงนะกําหนดลมหายใจมันจะอยู่ได้สักกี่นาทีกับลมอ่ะนั่นนะวันหนึ่งมันตั้งยี่สิสี่ชั่วโมงแล้วไปอยู่กับลมได้กี่นาทีลมกันนี้เดียวเนี่ยนะแม้กระทั่งอ่านหนังสือตัวขยึกขยักเต็มไปหมดขนาดนั้นยังอ่านทั้งวันไม่ได้แล้วจิตจะไปอยู่กับลมได้ยังไงทั้งวันนี่ถ้าไม่อยู่กับลมอยู่กับอารมณ์อื่นๆแล้วคิดยังไงต่อไป จะต้องมนสัสการอย่างไรต่อไปมนสัสการแล้วถึงความพ้นทุกข์ได้เคยตั้งคำถามว่าคุณเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะอะไรถ้าเคยมีผู้ถามแบบนี้เนี่ยนะในห้องเราเราจะตอบว่ายังไงเลื่อมใสยังไงในศาสนาทำไมต้องเลื่อมใสอันนี้รายงานคนระคำนีว่าจะปิดเทอมอยู่แล้ว ทำไมจึงเลื่อมสาในพระพุทธศาสนาเอาหมอยุพินก่อนก็ได้ใกล้ไหมไล่เรียงมาเลยทำไมจึงเลื่อมสพระพุทธศาสนาทำไมจึงเลื่อมใสายคำสอนของพระพุทธเจ้าตอบสมเหตุสมผลหน่อยนะกินนาทีก็ว่าไปฮะ พระพระพุทธเจ้าพระผู้วิปภเจ้าสัส่สสงสอนให้พ้นจากทุกข์แ ล, ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็หา ห, ห, ห, ห, หนทางที่ที่จะให้ให้เจริญหนทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงค่ะเพราะว่า เ ป, เป็นคำสอนที่คาสอนอันประเสริฐไม่ไม่ให้ให้เว้นจากสกายธทธิฏฐิวิจิกิจชาศีลัพัตตปรมาสะเป็นต้นเพื่อบรรลุนิพพานเบื้องถบรรลุทัศนะนิพพา น, น, า น, น, านเป็นเบื้องต้นของโสดาปฏิมกักสดาปฏิพลนะะ แล้วก็อย่างศาสนาอื่นที่เราได้ไป อ, อยูร่ร่วมกุคลีกับเขานี่มันพระศาสดาท่านก็สอนให้รู้ในในแง่ของศีลแล้วก็ในแง่ของความเมตตาความรักแต่ก็เจอปนด้วยโทสะด้วยเจอด้วยทิฏฐิมากมายเงค่ะ ก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธของเรานี่ก็จะนําเราพวกเราทั้งหลายนี่ออกจากทุกข์จริงอถ้าถ้าถ้าประกอบด้วยความเพียรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญให้ให้ใช้ปิริยะสัมมาวา ย, ยามะเนี่ยค่ะคือถ้าถ้ารู้แล้วเราเพียรน้อยไปมันก็ไปไม่ถึงสักทีค ขอบคุณค่ะอมตาไล่ไปไล่ไปพระอาจารถามว่าเห็นพระพุทธศาสนาได้ยังไรจ๊ะอ่าอันจ๊ะทำไมจึงเรื่อมสายในพระศาสนาโดยเฉพาะพระธรรมเนี่ยนะทําไมเราจึงเรื่อมสายในพระธรรม อันที่เลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระเจ้าคิดว่า อ, อยากจะหูอริยสัจคือความความจริงแต้ของอโลกมันเป็นอย่างไดของชีวิตนี่มันเป็นอย่างไดก็ตามที่ได้เียนมาก็คือหูตุบตุบอย่างไดยอยากตุบมันมีหลายอย่างก็มีสองมีสามอย่างตุบแ ต, แต่แล้วก็ตุกอ้อมอ้อมแล้วก็ คือตุกที่มันมีอยู่แล้วคือสังขารละทุกข์กันแน่จ้ะในเมื่อหูอี้แล้วเราจะหูเลือกเข้าไปแหมเราก็ต้องหูแ้แต่แวว่ า, าที่จริงแล้วเกิดจากอัญชงเนี่ยจ้ะคือที่เกิดจากอัญช ง, งก็คือถ้ามีากิเลสตัณหาก็มันเป็นสมุทัยของตุกที่เกิดทางตุกจ้ะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติตามคำสอนและมีอริยะทราบทีเจ็ดอย่างตามที่อุ้มาว่าเป็นต้นว่าสตาสินฮิลีโอ ต, ตปะแล้วก็สุตาจาา่าค่าแล้วก็ปัญญาคิดว่าทุกคนก่อเกินหูแล้วแต่ว่าถ้าเราคิดแล้วแล้วเราเล่าก่อคือมงคลสามสิบแปดนี่ขาเจ้าคิดว่าต้องเอามาอันประพฤติปฏิบัติตามชีวิตประจำวันเลยเจ้า เ, เมื่อหูอยังอี้แล้วคือไออย่างต่างๆที่เพิ่นสอนเพิ่มขอสอนว่าทุกนี่ต้องกำนวดหูคือต้องทำปริญญาแล้วก็สมูทายนี่ก่ลอละแยะเจาะแล้วนิโรดก็คือต้องทำเพืแจ้งพอทำเพืแจ้งแต่ว่าข้อข้าปฏิบัตินั่ก็คือมักมัก ม, มีองแปดเป็นต้นว่าสมาธิเนี่ยเจาะตามที่พระอาจารย์เคยสอนมาแล้วก็ ไปคิดแล้วคิดเล่าว่าคิดซ้ำแล้วซ้ำแหมเนี่ยกับชีวิตประจําวันทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นมานี่อืมแปลว่าเขาจะแปลงตาต่อไปในชีวิตภาคหน้าดังนั้นจึงจะต้องหูแตะว่าทุกนี่มันพ่ออย่างใดก็เลยต้องทําปริญญาในตอนนั้นแต่ตึงบมอู้เรื่องทําปริญญาอย่างใดเพราะว่าทุกคนเขาหูอยู่แล้ว แล้วอันที่นี้อั น, อนข้อสําคัญที่ว่าเราก็อู้ได้เนี่ยแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้ไม่ได้คุณู้แต่ชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราจะต้องมันสังเกตดูจิตของเราดูความคิดของเราจะไปลืมว่าทุกความคิดของเรานี่นําเกิดได้ทั้งนั้นดังนั้นจึงจะต้องโอู้ว่าอันอุปทานขันห้าเนี่ยจะมันสําคัญนักเลยก็เลยว่าเออ ทั้งโมทั้งเสี้ยงนี่ก็ต้องอตัดฉันทะละค่ะ <g ül> ก็พึกปไปเรื่อยๆเจ้าตามคําสอนถ้าพระพุทธเจ้าพ้นสอนเฮ้ยเน่ยย่างก็ง่ายเหรอมันไม่ใชยากอ่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องใจเวลาน้อยเจ้าคำที่ว่ามันยากนี่จริงอยู่ ม, มันอู้ ง, ง่ายแต่มันฟังยากแล้วมันเข้าใจ ย, ยากแต่ถ้าเขามีจิตเลื่อมใสตามที่พระอาจารย์เพิ่นถามว่ายอย่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าเขาไขปนตุกแล้วเขาก็ จึงจะต้องปฏิบัติอย่างอี้ตื้อมามีวิธีอื่นแล้วเจ้าที่จะต้องที่จะต้องทําดังนั้นอ่ขออันเจ้าแนะนาตัวเก้านะเจ้าว้าควรจะทําอย่างอีเรื่อยๆแล้วก็ฟังเรื่อยๆแล้วก็อ่านเรื่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆจนชีวิตจะหาใหม่แม้ว่าจะเป็นชาติหน้าหรือภพหน้าอย่างใดก็จางเตะ่ขอบคุณเจ้าตันเกตนันเกตทํารายงา น, อ ท, องนาทองได้แล้วทงรายงานด้วยก็ คือไปยังจําได้ถึงไตรสนาคมที่ท่านอาจารย์ทําเอกสารให้ตอนนั้นก็ยังติดใจยอยู่ว่านาพะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้ที่ช่วยให้เราเป็นอะไรกําจัดทุกภัยให้กับเราได้โดยนํานสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมาให้กับเราแล้วก็หันเหสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลออกไปจากเรา แล้วก็สําหรับพระธรรมนั้นก็ช่วยทําให้ผู้ได้มาศึกษานั้นเกิดความสบายใจอย่างเช่นแค่ศีลอย่างเดียวนะคะไม่ต้องคิดอย่างอื่นก็ทําให้เราไม่เดือดร้อนใจในภายหลังไม่ว่าเราจะพูดหรือจะทําอะไรนั่นก็เป็นความสบายใจแล้วยังช่วยทําให้เราข้ามโอคานคั่นก็คือออกจากวัฏะได้นะคะซึ่งมันก็คงจะยากเย็นแต่นี่ก็คื อ, อเมื่อเมื่อได้เรียนได้ฟังไปนานๆแล้วทาให้รู้สึกว่า ถ้าเรามีความพยายามแล้วก็ไม่ทอดทิ้งก็สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งไม่ทราบเมื่อไหร่นี่นะคะก็ก็คงจะมีวันนั้นแล้วก็สำหรับพระสงฆ์นั้นก็ เ, เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่เออคือช่วยให้ผู้ที่ทำบุญแม่น้อยเกิดผลอันไพู่บนได้ค่ะเอาคุณตุจินเลยทำไมทำไมข้าวอ่ะ ก็จะรักพระพุทธเจ้าตรงที่ท่านมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณโดยเฉพาะพระมหาการุณาที่คุณนี่จะจะทราบซึ้งมากเวลาอ่านบทไหนเนี่ยคะ่ะจะเจอหยุดคำหนึ่งที่เขาบอกว่าสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าเนี่ยคํานี้ชอบมากแนละได้ฟังแล้วแบบตีใจคือถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาเยอะๆได้อ่านมากๆขึ้นเนะี่ยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันคือจะปรากฏขึ้นเองคือสรุปแล้ว ชอบศึกษามากครับศึกษาพอชอ บ, อ, าอบนันกวัชาการอาจารย์แล้วก็สวัสดีสาธรรมิกทุกท่านนะครับถ้าจะถามว่าคังถามว่าทำไมจึงมาสนใจพระธรรมนี่คงต้องย้อนกลับไปแล้วครับเพราะว่าอยู่ๆคงไม่ได้มาสนใจ ทันทีนะครับคือถ้าย้อนไปตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็เวลาไปกรอกสัมมญโอควัวเขาจะบอกาศาสนาพุทธนะครับติดมาตั้งแต่นั้นก่อนแต่ว่าความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่ค่อยมีมากนะแต่ก็เห็นว่า เ, ออเด็กๆ เ, เขาให้ใส่บาตรก็ใส่เห็นผู้ใหญ่เขาไปทําบุญไปวัดถอดกระถิ่นบ้างสร้างาศาสนวัตถุบ้างเราก็เห็นก็รู้บ้างแต่ก็ตามภาษาเด็ก เวลาไปเรียนครูเขาก็สอนศา ส, สนาบ้างอะไรบ้างก็จําไว้แต่ว่า ก, ก็ยังไม่มากอะครับนั่นเป็นการสัมผัสศา ส, สนาโดยโดยมาตั้งแต่นั้นนะครับแต่ว่าไอ้ถามว่าจะเข้าใจและทาบซึ่งอย่างที่มานั่งในห้องนี้ยังไม่เกิดแล้วยิ่งพอโตขึ้นก็ห่วงเรียนนะว่าถ้าเรียนไม่จบจเอาเอะไรกินมันไปคิดแต่ก็ตั้งใจเรียนพอเรียนแล้วกลับมา โอ้เงินเดือนก็คอยพอใจก็ยังไปช่วยก็ทำธุรกิจอะไรตออะไรเริ่มเริ่มเห็นว่ามันทุกข์อ่ะมันมันเอ้ชีวิตมันยังไงแล้วเราก็สแสวงหาโดยเวลาเข้าไปร้านหนังสือเขาก็มีพวกจิตวิทยาฝรั่งพวกเดวคานาค่พวกนาะโฟเรนฮีลเลวก็เอามาอ่านก็สอนให้เราเดี่ยมีมาน่าขยันแบบฝรั่งแต่ลงท้ายทุกข์ครับเพราะว่า มันสอนให้วิ่งแต่ไม่สอนให้หยุดแล้วมันมันหาทางแก้ไม่ค่อยออกแต่อย่างไรก็ตามมาถึงคราวหนึ่งความที่เราเป็นผู้ชายก็ได้บวชบวชแล้วเราก็บวชไม่มากอะสิบห้าวันแต่ว่าก็ชอบใจหัวข้อบางหัวข้อในอที่เขาเรียกว่านวโกวาดนะครับสองพันร้อยสิบแปดเจดไว้หัวข้อไว้ก็เก็บหนังสือไว้นั้นมันไ่าอยู่แต่ก็ยังอา่านอะไไม่เข้าใจแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเป็นข้อเปรียบเทียบกับของทางฝรั่งก็ยังเป็นเพียงข้อเปรียบเทียบก็ยังไม่เคยรู้อะไรแต่ก็สแสวงหาตอนนั้นหนังสือธรรมะก็ไม่มีมากเราก็ไปสแสวงหาในตลาดก็เรียนตามตรงว่าได้ของอาจารย์ท่านพุทธทาสแล้วก็พยายามคัดนะครับว่าที่มาที่ไปทําไมจึงอย่างนั้นก็ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่องอย่างพวกคู่มือมนุษย์ก่ดีอะไรเก่าดีท่านเทศให้ผู้พิพากษาฟังแล้วก็คิดว่าเออระดับนั้นฟังก็ แล้วก็คงจะค่อยๆตามไปก่อนเพราะว่าถ้าระดับนั้นฟังแล้วเราไม่ตามอย่างนั้นเราจะไปหาที่ไหนสาภาพาศาสนาตอนนั้นเราไม่มีที่ที่ออกจริงๆในเมืองไทยเราไม่รู้จะเอาตรงไหนเราสนใจแต่เราจะเอาตรงไหนนี่เป็นคําถามตั้งแต่นานนะ้นี่นเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆสาภาพจริงๆนผมไม่ทราบว่าทุกคนเข้ามาในาศาสนาได้อย่างไรเริ่มต้นไม่ใช่อยู่ๆมาเห็นอาจารย์สมบัติหรือาารมไม่ใช่ฮนะ มันต้องต้องสนใจตอนนี้ก็อ่านอ่านส่วนดีท่านก็มีเยอะผมไม่ได้ว่าเออแต่ว่าปัญหาหลังๆที่จะเป็นวิวาทะอะไรนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นอกเหนือนอกมันนอกเหนื อ, อสติปัญญาของผมนะฮะต่ส่วนของไอ้ประเด็นที่เราเข้ามาศึกษาศาสนารเราเห็นคุณศาสนายัางไงก็ค่อยๆไล่เข้ามานะครับคือเอาเอาแต่พ่อสาระสําคัญน่ยนะเอาครับอันนี้ก็เล่าเล่าสภาพที่เป็นจริงเพราะว่าอยู่อยู่นี่ ก็คงไม่ไม่ไม่จนกระทั่งมันทุกข์มากๆแล้วผมก็เอางั้นก็ย่นเข้ามานะฮะก็ศึกษาตรงนน้นศึกษาตรงนี้ก็หาที่ที่ศึกษาไปเรื่อยอะ่ะเพราะว่าเราก็ติดในคำตอบผมเป็นคนที่สงสัยพอสมควรจะไม่ให้เราเรียนแบบสงสัยเลยนี่ก็คงไม่ได้นะครับอย่างนี้สงสัยว่าเอ๊ะอตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเป็นยังไง อธิชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยพ่อผมเคยเรียนทางชีววิทยาเขาบอกมันมีคำถามยวนนะครับโลกมาจากกลุ่มหมอเพิงร้อนๆนมันมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตแล้วอยู่ๆชีวิตมันมาอย่างไรพลเทเนียเจเนเรชั่นนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมั น, ม, นมันถ่ายทอดมาอย่างไรชีวิตมันถ่ายทอดจนกระทั่งผมพบหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อกมปกขาวมันมีกมปกขาวปกดำนะฮะปกขาวนี่ตอนนี้ท่านจะเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงนะครมหาจุฬาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านธรรมพีปดกถ้าปกดํานี่ท่านกรรมดานี่ท่านทำปีดกเขียนแล้วก็ปกขาวกรรมเล่มปกขาวเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นผมต้องขอทานภายผมจําชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านเป็นพาที่เป็นอธิการมหาบดีมหาวิทยาลัยจุฬามันไม่อยู่ตอนหนึ่งท่านเขียนตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยทราบอภิธรรมอะไรเท่าไหร่แต่ท่านโยงให้เห็นหมดว่าจากตุดนั้นจุดนั้นนั้นจิตดวงนั้นจะต้องทาไปเกิดผมเริ่ม เริ่มนำมาพิจารณาแล้วว่าเอ๊เราจะเอาแต่ไอ้ปัญหาวิทยาศาสตร์มาถามเนี่ยเราคงไม่ก้าวหน้าในธรรมเนี่ยเพราะมันสงสัยแล้วมันไม่ก้าวหน้าทาให้เราติดอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะเป็นหลายๆปีจนกระทั่งมาคิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะพุทธวิสัยที่เขาเรียกว่ า, าผมพากจะกลืมๆคำศัพบ์บลียฮะอาินไตเมื่อเราคิดไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ก็ล่าไว้ก่อนเพราะน้ำเปอาินไตเรา มาศึกษาในส่วนที่เราศึกษาได้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการอบรมธรรมะอะไรผมก็ไปจนกระทั่งบางแห่งผมก็ไม่ได้อยู่นานเราดูแล้วเราว่าเอ๊ะเราเราศึกษาไปเนี่ยเราไม่ไม่ทําให้เราเข้าใจอ่ะมันมีเหตุมีผลอะไรบางอย่างที่เราไม่นั่นจนกระทั่งมาฟังวิทยุแล้วก็ตอนแรกมาได้ฟังคุณน้าแกสอนก็แนะนําผมฟังแล้วเอ๊ะดู น่าสนใจครจริงติดตามมาแต่ผมจะไม่ไม่เอ่ยว่าอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนเพราะอาจารย์ให้รวบรัดนะฮะเพราะอาจารย์ให้รวบรัดผมจนกระทั่งฟังแล้วผมก็มาลองฟังที่วัดก็เห็นดีเห็นดีตรงไหนบางครั้งตอนแรกๆผมได้ไม่ค่อยเอข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ะนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่สอนท่านสอนแต่บางครั้งบางช่วงผมยังมาไม่ทันบ้าง บางท่านมาทันไปป่วยซะบ้างแล้วป่วยก็ไม่ใช่ป่วยธรรมดาแบบชาวบ้านนะฮะยมพบาลกวาดมือหลายรอบนะทีนึงนอนเดินครึ่งสองรอบนะที่เ อ, อโดยเฉพาะ ท, ที่ตึกฟื้์นโฟร์นะครับ เ, เป็นหนักๆแล้วก็อาการที่เรียกว่าอย่างครั้งหลังเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรก็ถามคุณสุจินว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งนะที่คล้ายๆกับผมก็ไตาวายคือเวลา เรามีผต้านทานไม่พอเนี่ยนะฮะแล้วก็เราป่วยไข้มากๆเวลาไอเชื้อมันเข้าเนี่ยมันเข้าการะแสหลิตรายได้จุดนี้ก็ตรงเนี้ยทาให้เรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่ผมก็พยายาม the รวบรวมเอกสารที่เพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้ที่กรุณาบางทีผมขอไปไทยเอกสารอะไรพวกนี้นะก็ไปรวมๆแล้วก็เห็นแนวทางที่พระอาจารย์สอนก็ว่าเอ hazards. ดีเริ่มตั้งแต่ไตรสนาคมนะครับ พุทธานุไตรสนานาคมเกี่ยวกับพุทธานุสติแล้วก็มากรรมบดเสนิเทศแต่อันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าผมจะรู้ละเอียดแต่ผมจําหัวข้อไว้ว่าถ้าเรานอันนี้เราต้องกลับไปทวนของเกา่าแต่ในขบวนการสุตตานี่เยอะมากไม่สําเร็จภายในปีสองปีผมดูแล้วถ้าตายก่อนแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ตายนี่ ก็อย่างที่คุณนาพูดตลอดชีวิตมันมันอย่างนั้นจริงๆบางทีมันจะไม่ตลอดชีวิตถ้าหากว่าเราสามารถรู้วัตะเราไปได้แล้วก็ตั้งไปอีกจนกว่าจะถึงที่สุดแต่ช่วงเนี้เราเราตั้งความหวังไว้ว่าถ้ามันเฉพาะหนะ้าผมก็ต้องดูว่าเนื่องจากผมพป่วยมากป่วยบ่อย บางทีก็ต้องมอรณ า, านุสติเตือนว่าเรามีชีวิตอยู่ลมหายใจแต่ละวันถ้ามันลอดไปถ้ายังเวลาเหลือก็จะไปทวนของเก่าไอ้หัวข้อที่พระอาจารย์บรรยายไว้ก็คิดว่าจะจอง m อ็มเขาอยู่นี้นะครับเอาไว้ไปทบทวนเนื่องจากว่าถ้าไม่มีเอ3สามหรือว่ามีเทปนี่ความรู้ก็ลอยไปตามลมเราจะจำอะไรได้ทั้งหมดนะฮะความเสื่อมในสมองนี่ ก็อย่างที่อาจารย์เจสุดาบอกอะผมเองก็มีอาการคล้ายๆกันมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกันคือมันจำอะไรไม่ได้อย่างใจแล้วหักโหมมากๆป่วยนะครับกายกับจิตนี่ไปศึกษาให้ดีๆเถอะจะเอาแต่จิตกายไม่เอานี่ป่วยเอาง่ายๆแล้วสังเกตดูผมสังเกตดูวันไหนถ้าสุขภาพไม่ดีมันกระเทือนถึงจิตใจเหมือนกันสมองอะไรมันจะไม่ค่อยไปเราก็ต้องปรับ ให้พอหมอพอดีไม่งั้นไปหักโหมมากมา ก, ม, ากมันป่วยให้ดีแล้วอ่ะมันป่วยให้ดูแล้วมันยังเพียงแต่จะตายให้ดูตอนนั้นเองเอาจริงๆมันก็ตายจริงๆอิงครัผมดูดูเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อยๆผ่อนอันนี้เป็นเหตุแล้วถามว่าทาไมเข้ามาถึงธรรมะจุดนี้พอเรียนแล้วมันก็เข้าใจพอทำปิญญาเข้าสอนให้ทำอะไรเข้าก็อย่างที่ท่าน มาถึงจุดนี้ผมว่าความรู้สึกตรงกันผมก็สรุปทั่ผมก็เหมือนกับญาติธรรมทั้งหลายที่เข้าใจเห็นเห็นคุณค่าของธรรมะแล้วก็ทราบซึ้งก็จึงเข้ามาจึงเข้ามามาศึกษายกตัวอย่างสักอันหนึ่งก็ได้บางอันนะ่ะมาอยู่อันหนึ่งซึ่งอยู่ในพุทธประวัติผมชอบมากแต่ว่าจำถ้าจะพูดละเอียดไม่ได้ถ้าไม่หนังสืออ่านแล้วกลางลนี้ก็บอกอีกตรงใต้ต้นโพนะ่ะ ก่อนนั้นอีกอันหนึ่งอีกนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บำเพ็ญเพียรแค่นั่งกีริยาใต้ต้นโพอุดอาหารอย่างเดียวก่อนนั้นท่านทำท่านเป็นลองแบบพวกเดรธีท่านก็ลองไม่ใช่เลยครับพระอาจารย์ครับผมจําสูตรไม่ได้แต่ว่าผ่านว่ามีมีว่าท่านได้ได้ลองทําทุกอย่างไม่สําเร็จแล้วแล้วก็ตอนหลังก็มานั่งที่ใต้พระบัลลังก์ที่แถวแถวอุลุเวลาเสนาในกรมซึ่งก็เป็นแถวเดียวกับที่อาลาละดาบทและอุทุกดาบทเคยอยู่ก่อนนั้นแหละ คนเราฝั่งแนะนําในลัญชลากับขยาผมไม่ได้ไปอเมริกาแล้วครับแต่กลางแผนที่ขอเข้าไปดูก็เอาไปดูไปศึกษานะครับก็มีถ้าอยู่อันหนึ่ ง, งนะฮะที่ท่านเข้าไปแล้วตอนนี้ปิดประตูเหล็กมีอะไรที่ท่านเข้าไปหน้าบําเพ็ญเพียรเห็นความพยายามท่านแล้วก็ใช้คําว่าสงสารได้ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ไม่ไม่สูงเท่ากับท่านท่านเป็นอยู่ที่สูงมากแต่เรารู้สึกว่าเออตรงนั้นน่ะ อันนั้นท่านเป็นโพธิสัตว์นะสงสารไอ้ตอนนั้นอีกอันหนึ่งที่ที่ประทับใจมากนะครับก็คือเห็นคุณความดีของท่านว่าโอ้อันนี้ความดีตรงนี้เองตรงที่ว่ามานนะฮะแล้วม า, มามามาทำลายท่านใช้พายุใช้อะไรทุกอย่างถ้าเป็นคนธรรมดานี่ยกแรกระจอดแล้วแล้วตอนนั้นมีอยู่บอก พระพรมเอ่ยเทวดาเอ่ยอะไรเอ่ยตอนที่ดีๆท่านดีๆอยู่ก็มาห้อมล้อมมาแ่ซ้องบูชาสาทุการพอมานมานี่หลบไปอยู่คนละมุมเลยอยู่คนละมุมจักรวาลที่ให้ท่านโดดเดียวอยู่นั่งคนเดียวแล้วท่านก็บ่นว่าพ่อก็ไม่มีญาติก็ไม่มีเนี่ยอันนี้ผมจํำจำนวนไม่ได้ลองไปอ่านจำนวนเล่มเก่าของพุทธประวัติที่คุณคุณสุรีเขียนนะเขาใช้คําที่ชัดมากเลยตรงนั้นน่ะ ญาติไม่มีพี่น้องไม่มีเหลือแต่เราคนเดียวมีความดีบารมีที่บํำเป็นมาเท่านั้นที่ระลึกได้มานบอกมีอะไรเป็นพยานก็นึกถึงน้ําที่หลั่งลงไปแม่ตอนนีก็ลุกขึ้นมาเอาน้ําในมวยผมมาบีบแล้วก็ทําให้มานแท้ไปเนี่ยอันนี้มาเป็นเครื่องหมายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นอยูแต่ความจริงลึกซึ้งมากผมประทับใจตรงนี้ว่าอ๋อท่านเหลือแต่ความดีเป็นที่พึ่งเอง ตรงนี้ผมจึงเคยถามพระอาจารย์ว่าบางทีเราระลึกพุทธคุณนี่ขอย้อนไประลึกถึงสมัยท่านเป็นโพธิสัตว์ได้ไหมเพราะตรงนั้นท่านเป็นเหตุกว่าท่านจะมาเป็นผลได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านสร้างเหตุมามากตรงนี้เลยฮะที่ทําให้ผมทราบซึง้งแล้วก็ค่อยๆหันมาว่าเออเห็นดีเห็นงามและที่สําคัญก็คือเอาธรรมะของท่านไปปฏิบัติมันดีกว่าของฝรั่งมีทางแก้มากมายแต่ต้องใช้เวลา ยิ่งเปิดยิ่งเจอ ย, เยิ่งเปิดยิ่งเจอแต่ว่าจะเอาให้มันสําเร็จวันสองวันนี้ไม่ได้เพราะมากและเกินเรียนธรรมะนี่มันเรียนภาษาไปในตัวนะเรียนบาลีนี่นะครับต้องเรียนไปในตัวมีต้องมีอัตคาอัตคาถาบางทีต้องไปถึงดีกาอันนี้ถ้ายังมีพระอาจารย์อยู่นะครับยิ่งถ้าไม่มีล่ะเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้เวลาอันนี้ผมก็คงจะสรุปอย่างนี้แล้วครับะมันมีความทราบซึ่งเห็นเห็นคุณเห็นประโยชน์ แล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาแล้วจึงน้อมรับนะครับแต่รับก็ต้องรับได้ความว่าเออเราเรารับได้ความที่มันมันทราบซึิงจริงๆแล้วมันพ้นทุกข์ได้จริงแต่ว่ายัางไม่ที่สุดมันเป็นแตดทางค่าบ้างอะไรบ้างบางทีไอ้ผัด ส, สะพวกเวทนาที่น่ากลัวมากนะครับบางทีเราไปกระทบกับอารมณ์ตรงๆไม่ได้บางทีก็ต้องเรียนเข้าไป ที่เขาเรียกอะไรนะครับโดไอวิเวกบ้างอะไรบ้างถ้ากระทบตรงๆบางทีเอาไม่อยู่อันนี้ก็ก็คงจะสรุปอย่างนี้รายละเอียดในเรื่องธรรมะนี่คำสอนอะไรอะไรพระอาจารย์ก็สอนไปเยอะแยะทุกคนก็รู้แต่อันนี้ผมเล่าที่มาที่ไปว่ามาตั้งแต่สามารถโนครัวจนกระทั่งมันแก้ทุกข์ได้อย่างน้อยก็เห็นในระดับของเราเอามาถึงจุดนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพูดสักอีนิดหนึ่งวันนั้นผมไปค้นเรื่องอุ ป, ปมัมมะ อะไรนะอุ ป, อปมนุสติใช่ไหมครับอุปสมานุสติพระอาจารย์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับนิพานซึ่งอันนั้นเป็นสมบัติของพระอารหันต์ตอนนี้ผมไปดูตอนท้ายของวิสุทธิมัติบอกว่าระดับอุปจาระก็เป็นฌานผู้ที่ฟังธรรมแล้วเกิดปิติก็เอาปิตินั้นมาเป็นอุปสมานุสติได้อันนี้อยู่ในตอนท้ายของของอวิสุทธิมัติ อันนี้อย่างไรถ้าผิดทุกอย่างไงก็พระอาจารย์ลองวินิจฉัยโดยอีกทีแต่มันก็ทําให้ผมมีกําลังใจว่าเออพระพระอระหันต์ท่านมออีความหลุดพ้นที่เรียกว่านิสรณะปะหาญท่านมีความสุขยิ่งใหญ่แต่เรามีความสุขเล็กน้อยแต่มันก็เป็นความสงบสงบจากทางโลกนี่มันมันก็ร่วงเย็นถึงจะเย็นน้อยไม่เท่าแต่เราก็รู้ว่าเย็นเย็นแค่นี้เราก็อนุมาน ผมก็ยังสงสัยว่าอนุมานกับตักกะนี่จะเหมือนกันไหมเพราะว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าตักกะนี้อย่าเอเ อ, เอนิพานนี้จะพิจารณาโดยตักกะไม่ได้แต่ในการที่ผมทราบซึ้งในธรรมะนี้ผมรู้สึกว่าบางทีเรามีความสงบในระดับของปิติเบื้องต้นจะระดับศีลก็ดีระดับสมาธิ ขั้นต้นๆที่เกิดจากการพิจารณาธรรมก็ดีมันเป็นอุปสมานุสติอันหนึ่งอย่างน้อยสมบัติของผมมีไม่มากอริยทรัพย์ยังไม่มากแต่มันก็มีความเย็นกว่าทางโลกเราเห็นเรายังบอกว่าโอ้ขนาดน้อยๆ อ, อย่างนี้ยังสงบยังสุขอย่างนี้ถ้าพระอรหันต์จะสุขขนาดไหนคงจะมากกว่านี้หนออันนี้แหละครับเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมผมจึงมาและทําไมผมจึงยังศึกษาอยู่ รายละเอียดต่างๆก็เพื่อนสหธรรมิกก็คงจะรู้ไม่ใช่น้อยบางคนก็สาธยายบางส่วนผมยังสาธยายไม่ได้เท่าได้ซ้ำไปผมก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนนะครับ